ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนี่มันเป็นศิล ป, ปะทั้งนั้นเลยนะรวมทั้งการชงชาด้วยนะชานี่ก็เป็นเครื่องดื่มที่คนญี่ปุ่นนี่นิยมมากนะแต่ว่าการชงนี่ก็เป็นศิล ป, ปะด้วยเรียกว่าเป็นศิล ป, ปะการชงชาซึ่งต้องอาศัย ทั้งทักษะแล้วก็สติสมาธินะจริงๆการชงชานี่เขาเอามาทำให้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมนะไปในตัวได้นะเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันต้องอาศัยสติตั้งแต่เดินเข้าไปในห้องที่ใช้ชงชามีสติกับการจุดฟืน จุดไฟเพื่อต้มน้ําเติมน้ําก็ต้องเติมอย่างมีสติและระหว่างที่รอน้ําเดือดนะก็มีสมาธิอยู่กับลมหายใจน้ําเดือดแล้วก็ค่อย ค, อยคอยรินน้ําเดือดเนี่ยเพื่อชงชาก็ทําอย่างมีสติเลาคนที่ผ่านการชงชาอย่างเชี่ยวชาญ น, นี่ก็จะมีสมาธิมากแล้วคนที่มีศิละปะ ในเรื่องนี้อย่างสูงเขาเก็เยไปว่าเป็นปรมาจารย์นะเป็นอาจารย์ดังชงชานะมีปรมาจารย์คนหนึ่งนะเคยถูกซามูไรซามูไรคนนี้ก็เกเรนะชอบอ่าก่อกวนผู้คนใช้อานาจบาดใจซามูไรนี่ก็ท้าปรมาจารย์เนี่ยให้มา ประลองดาบกันด้วยความเชื่อว่าตัวเองนี่ชนะแน่นะเพราะว่าเชี่ยวชาญด้านการใช้ดาบปรมาจารย์คนนี้ก็รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยฝีมือด้อยกว่าเยอะไม่ได้ฝึกมาในเรื่องการใช้ดาบนะชงแต่ชาก็เลยไปหาครูดาบเพื่อขอคําแนะนํา ว่ายังไงถึงจะใช้ดาบเป็นบ้างไม่ใช่เพื่อจะเอาชีวิตรอดนะก็รู้ว่าจะต้องตายนะแต่ว่ายังไงก็ขอให้ตายมีศักดิ์ศรีครูดาบก็เลยถามว่าไหนลองชงชใช้ดูซิแทนที่ครูดาบนี่จะสอนอเพลงดาบกับบอกให้ปรามาจารย์คนเนี้ยชงใช้ให้ดู แวก็ชงชานะตามที่ได้สอนคนอื่นมาแล้วก็ตามที่ได้ปฏิบัติระหว่างที่ชงชานี่จิตก็มีสมาธินะมีสมาติมีสติอยู่กับการชงนะพอชงชาแล้วกนะ็ยื่นชาให้กับครูดาบคนนี้ได้ดื่มครูดาบก็บอกกับ ปรมาจารย์คนนี้ว่าเวลาฟันดาบเนี่ยก็ให้ฟันดาบด้วยจิตที่มีสมาธิเหมือนกับเวลาชงชาก็แล้วกันนะไม่ต้องไปเรียนรู้เพลงดาบอย่างอื่นแล้วนะแค่ใช้สมาธิอย่างที่ อ, อมีเวลาชงชาปรมาจารย์คนนี้ก็เชื่อนะถึงเวลาจะประลองดาบกันเนี่ยเจะไม่ทันจะ อ่าปฏทะกันเลยนะไอ้ซามูไรคนนี้เนี่ยเห็นเห็นหนัากักริยานะเห็นท่าทางของปรามาจารย์คนนี้ก็ยอมแพ้แล้วบอกไม่กล้านะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าคนเรานี่พอเวลามีสมาธิแล้วเนี่ยมันไม่กลัวตายนะตัวตนมันจะหายไป ความสําสคัญมันหมายว่าตัวกลูมก็หายไปคนเราเพอไม่มันไม่มีตัวกูนะมันก็ไม่กลัวตายนะซามูไรเนี่ยนะมันเจอคนมาเยอะแล้วนะแต่อาจจะไม่เคยเจอคนที่ไม่กลัวตายนะพอเจอนะพอเจอปรามาจารย์คนนี้ก็รับรู้ได้นะถึงท่าทีที่สงบนิ่งนะสงบนิ่งมั่นคงนะแล้วก็ ไม่หวาดกลัวก็เลยรู้ว่าแพ้ใจแล้วแพ้ใจปรามาจารย์คนนี้อันนี้ก็เป็นเกร็ดนะที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วนีนะ่สิ่งสำคัญเนี่ยนะมันไม่ใช่เพลงดาบนะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจนะถ้าใจนี่มั่นคงเข้มแข็งโดยเฉพาะมีความกล้านะไม่กลัวตาย ที่ไม่กลัวตายนี่เพราะว่าลืมนะหรือว่าละทิ้งตัวกูนะเพราะจิตที่เป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะว่าแม้กระทั่งการชงชาเนี่ยนะการชงชาเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแต่ที่จริงมันก็เป็นการภาวานานะที่สามารถจะทำให้นะจิตใจเนี่ย เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าไม่มีตัวตนได้นะและสภาวะนียเป็นสภาวะที่ใครๆก็ยอมแพ้นะเพราะว่าพอไม่กลัวตายแล้วเนี่ยคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันก็รู้สึกว่าถูกสยบนะให้การชงชาเนี่ยนะ มันไม่ใช่เป็นวิถีทางเดียวนะที่ทำให้คนมีสมาธินะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเราทำอย่างมีสตินะจิตมันก็มีสมาธิเวลากินอาหารก็เหมือนกันนะเวลากินอาหารนะมันก็เป็นการภาวนาได้โดนะยเพราะการเจริญสติท่านติดนธนันเนี่ยถ้าเป็นพระเซนชาวเวียดนามนยะท่านก็ได้นาให้คนเนี่ยมีสติกับการกินส้มนะ เวลากินส้มเนี่ยก็แต่ละชิ้นแต่ละกลีดนะ ก, กินอย่างมีสติก็เป็นการฝึกภาวนาได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ท่านสอนลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาตินะูนี้อาจจะไม่ค่อยสนใจการนั่งสมาธินะแต่ว่าเพียงแค่กินผลไม้นะหรือว่ากินข้าวกินอย่างมีสติรู้ตัวอันนี้ก็เป็นการภาวนาเดีย๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยก็เอา การเจริญสติไปใช้นะไปสอนเด็กนะไม่ใช่สอนเด็กให้นั่งหลับตาอย่างเดียวนะแต่ว่าสอนเด็กในะเวลากินอะไรกินทัว่วนะกินผลไม้ก็ให้มีสติอยู่กับการกินรับรู้ตั้งแต่ตอนที่ลิ้นเนี่ยมันสัมผัสกับอ า, อาหารหรือผลไม้ที่อยู่ในปากนะเอาใจมารับรู้สัมผัสนะของผลไม้จะเป็นส้มจะเป็นแอปเปลิลจะเป็นองุ่นนะ แต่พอเคี้ยวนะ่ะรสชาติเป็นยังไงก็รับรู้ใจเป็นยังไงมันดีใจมันพอใจก็รับรู้รนะหว่างที่เคียยก็เคี้ยวอย่มีสมาธิไม่รีบนะ่ะไม่ต้องนึกถึงเรื่องอะไรนะก็ใช้วิธีเนี่ยสอนเด็กนะ่ะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นอย่างเดียวนะเด็กประถมเด็กมัธยมอ่าเด็กประถมเด็กอนุบาล น, นี่ก็สอนได้นะ แล้วเด็กก็มีสติด้วยวิธีนี้แหละนะแล้วเราะบว่าเออการเรียนของเด็กก็ดีขึ้นเด็กก็ก้าวร้าวน้อยลงนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเด็กอนุบาล น, นี่ก็ก้าวร้าวแล้วสมาธิสั้นก็มีเยอะแต่พอเข้ามาใช้สติเนี่ยนะกับเด็กเนี่ย เ, ออเด็กก็ดีขึ้นนะเพะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการการฝึ ก, กจิตการฝึกสติสมาธินี่ มันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายนะทำได้กับทุกอย่างทุกออเดียบททุกการกระทำนะแล้วเราก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังค่อยทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวาสมิชาตุต่องสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกัปปาอขอความดำริทางพวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมานิโชติรโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสพภิติโยวิวาชันโตวานจันไรทางผวงจงบำราดไปสาพโรโควินัสตูโรคทั้งผ u a n ของท่านจงหายมาเทพาวันตารโยอันตรารยามีแก่ท่าน สุขีธีขาโยโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนตนะศีลสันนิจังุทธาปจายโนยัตตารธรรมวาทันทีอายุวันโนสุขังภลังสามสี่ประการคืออายุวันณาสุขะภาลายนจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอาบนอนต่อผู้ใหญ่เป็นน้ พาวาตุสาพบังคลานอสาพาหมองคอนจอมีแก่ท่านราขันตุสาพาเทวตาอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาภูตานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุติเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสง์ สถานโสตีภาวันตุเตอขวาสวัสดีทั้งร้อยจองมีกะรดันดูมือเถ